เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยในรายการธรรมสู่สันติเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้รายการนี้เป็นรายการของคณะสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําผาสีเจริญกรุงเทพซึ่งไปก่อตั้ง สถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและภายหลังได้จดทะเบียนเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งทําหน้าที่เผยแพร่พระสัตธรรมตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อวัดปากน้ําพระมงคลเทพมุนีได้ถ่ายทอดสั่งสอนเอาไว้โครงการหลักๆ ใ, ใหญ่ๆนั้นก็เปิดโอกาสให้ พระภิกษุงสงฆ์สามเณรญาติโยมสาธุชนเข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมในโครงการอบรมพระกรรมฐานใหญ่ประจำปีปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติก็สามารถที่จะติดต่อเข้าไปรับการอบรมได้ โดยตรงที่วัดหลวงพ่สดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032254650และ253352ต่อ220ได้เป็นประจําทุกวันวันนี้อาตมาก็มีธรรมบรรยายมาฝากท่านสาธุชนซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโหน้นท่านได้บรรยายให้แก่นักศึกษาสถาบันราชพัฏ จากจังหวัดนคปรปฐมได้รับฟังกันในเรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเนื้อหาสาระจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาติดตามรับฟังพร้อมๆกันเป็นธรรมบัญยายในวันนี้ในฐานะที่พวกเธอทั้งหลายจะไปเป็นครูบาอาจารย์ผู้อื่นต่อไปในภายหน้าหรือ จะไปเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในการถ่ายหน้าจะไปเป็นผู้นำครอบครัวสังคมและวงงานต่อไปในถ่ายหน้าในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเธอพึงรู้ธรรมะที่ควรรู้แล้วก็ เพื่อจะได้เลือกประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงความประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกต้องความประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นเรียกชื่อว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งจะนำความสุขความจเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตตนมาสู่ตน และมีผลให้บุคคลอื่นผู้อยู่ใกล้เคียงเราหรือมีความสัมพันธ์กับเรามีความร่มเย็นและสันติสุขไปด้วยแต่ถ้าว่าความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องที่เป็นบาปเป็นอกุศลนั้นย่อมนำความเสื่อมอันมีผลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้น แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเธอพึงเข้าใจธรรมะขั้นพื้นฐานที่พึงจะเข้าใจได้ต่อไปวันนี้เราจะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงในการารับฟังธรรมะบรรยายาทำใจให้สบายให้ปลอดโปรง่งและตั้งใจฟังให้ดี เธอสามารถที่จะทั้งรู้ทั้งเข้าใจเพื่อปฏิบัติเองและชี้แจงแนะและนำผู้อื่นสั่งและสอนผู้อื่นได้ธรรมะทั้งหมดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั้นถ้ากล่าวโดยย่อเป็นธรรมะ ในสามประเภทใหญ่ๆพ <c oughs> ึงเข้าใจสามประเภทใหญ่ๆนั้นประเภทหนึ่ง <c oughs> เป็นประเภททมดำดำนะแต่ว่าหมายถึงธรรมชาติที่ดำไม่ใช่คนผิวดำเป็นธรรมชาติที่ดำ หรือภาษาพระท่านเรียกอกุศลาธรร ม, มาคือธรรมะที่เป็นบาปอากุศลเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าเป็นธรรมะของภาคมารมารแปลว่าผู้ขัดขวางคุณความดี มานแปลว่าผู้ขัดขวางคุณความดีซึ่งแต่เฉพาะความหมายของมานคำเดียวนั้นอาจจะหมายและควรที่จะหมายถึงอย่างยิ่งคือกิเลสมานกิเลสเครื่องกั้นความดีมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์และของสัตว์โลกทั้งหลาย ที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลและถ้าสัตว์โลกใดเต็มไปด้วยธรรมชาติของมานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตว์ประเภทที่เรียกว่าโอปปาติกะคือถือกำเนิดขึ้นมาด้วยผลบาปอาุศลเอง บางเหล่าก็เรียกว่าเทพพระบุตรมารมีเหมือนกันนะฮะทีนี้ยังมีอีกธรรมชาติเครื่องกัน้นคุณความดีนั่นยังมีอีกขันธามานขันธามา น, นี่มารคือโรคภัยไข้เจ็บ ให้เราไปประพฤติปฏิบัติทำหรือประกอบคุณความดีไม่ได้หรือได้ไม่สะดวกก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนนี่ขันธมารมีอยู่ในทั่วทุกตัวคนมากน้อยตามส่วนอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามัจจุ ม, มาร น, นั่นความตายเกิดขึ้น เมื่อได้แล้วย่อมไม่มีทางที่จะกระทำคุณความดีได้ถ้าเผื่อมัจจุมานได้บังเกิดขึ้นแล้วและผู้นั้นได้ประกอบกรรมชั่วไว้แล้วกรรมชั่วนั้นให้ผลเป็นชนกกรรม นำให้ไปบังเกิดในทุกขติภูมิคือภูมิที่ไม่สบายได้แก่ภูมิหรือเหล่าของเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานหรือแม้มนุษย์ที่มีความเป็นอยู่เยี่ยงนั้นนะนี่ทีนี้นั่นเรื่องของมัจจุมาน แต่ถ้าคนนั้นได้ประกอบคุณความดีแม้ความตายมาตัดรอนผลแห่งกรรมดีเป็นชนกกรรมนำให้ไปบังเกิดในสุคติภพได้แก่ภพของมนุษย์ของทิพหรือเทวโลกหรือพรหมโลกอันนี้ก็มีโอกาสประกอบคุณความดีได้ตามส่วนตามธรรมชาติ ของแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนั้นต่อไปในการข้างหน้านี่มัจจุมานมีอีกอย่างหนึ่งอะพิสังขารมานอะพิสังขารมารนนี่เป็นผลเกิดแต่คุณความดีด้วยเหมือนกันแต่คละเคล้าไปด้วย พิฐิชั่วคือความเห็นผิดและผู้ที่ได้ผลแห่งความดีนั้นอาศัยคุณความดีที่เหนือผู้อื่นนั่นเองไปประกอบกรรมชั่วเป็นโทษต่อตนเองได้ในภายหลังเช่นบุคคลที่เคยประกอบทานกุศลมาดี ส่งผลให้ไปบังเกิดสมมุติว่าเป็นมนุษย์ในตระกูลที่ร่ำรวยในตระกูลที่สูงด้วยยศถาบรรดาศักด์ตนเองก็เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคขยะทรัพย์ยศถาบรรดาศักด์แล้วก็ใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบเบียดเบียนขมเหงรังแกผู้อื่นนี่แหละ ที่ว่าอภิแปลว่ายิ่งใหญ่สังขารแปลว่าความปรุงแต่งความปรุงแต่งที่ให้ด้วยผลบุญที่ให้ดูยิ่งใหญ่กว่าผู้อื่นแต่เผอิญหรือโดยจงใจก็แล้วแต่มีบาปอกุศลคละเคล้าผลอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนี่คละเคล้าเข้าไปแล้ว ก็รู้ผิดคิดผิดเห็นผิดกระทำผิดด้วยอาศัยความยิ่งใหญ่ที่มีเหนือผู้อื่นนั่นแหละประกอบกรรมทำเข็นเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอีกต่อไปได้อย่างนี้เรียกว่าอาภิสังขารมานหรือแม้แต่บางคนประกอบด้วยทานด้วยศีลเป็นคนมีจิตใจดีงามในเบื้องต้น แต่ปัญญาไม่ค่อยดีเป็นผลให้บังเกิดขึ้นมาเป็นคนสวยเป็นคนสวยทีเดียวแต่พูดจาและการกระทำมีลักษณะเป็นคนที่มีปัญญาน้อยหรือมีปัญญาอ่อนก็มีอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าอภิสังขารมานแล้วก็ให้ความประพฤติปฏิบัตินั้นด้วยความงามนั้นแหละ ไปในทางที่เป็นความเสื่อมเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนแก่ตนเองยิ่งกว่าคนที่มีรูปโฉมโนมพันปานกลางหรือน้อยแต่มีสติปัญญาดีซะอีกอย่างนี้เรียกว่าอภิสังขารมารในทางโลกในทางธรรมยังมีสูงไปกว่านั้นอีกเช่นพระผู้มีวิ ช, ชา แต่วิชานั้นยังอยู่ในระดับโลกียะยังไม่ใช่โล ก, กุตระยังไม่ใช่พ้นโลกระดับจิตยังไม่พ้นโลกวิชาที่มีเหนือผู้อื่นนั้นก็จัดอยู่เป็นวิชาในระดับโลกโลกแต่เหนือผู้อื่นก็ใช้วิชานั้นแหละประกอบวิชานั้นแหละอันเป็นไปด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างความหลงบ้างที่ปรากฏขึ้นในใจเพียงชั่วขณะ แทบจะไม่ทันรู้ตัวให้ประกอบกรรมอันเป็นบาปผู้สนค่อยๆเป็นโทษแก่ตนเองทีละน้อยละน้อยจนใหญ่โตขึ้นก็เป็นโทษใหญ่เสมือนหนึ่งบุคคลสร้างอาคารโบสถ์วิหารการเปลี่ยนอยู่ใกล้ตลิงแล้วความชั่วนั้นอุปมาดังมีเรือมาดูดทรายใกล้ตะลิงดูดไปดูดไป จนกระทั่งเหลือแต่โครงเสารอที่จะล้มคลืนลงไปเพราะพื้นฐานไม่ดีนี่ว่าด้วยเรื่องของโลกีวิชาซึ่งเป็นของสูงนี่ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าภาคมารหรือธรรมดำหรืออกุศลาธรรมมาก็เรียก นี่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนชี้ให้เห็นว่านี้เป็นธรรมชาติหนึ่งอีกธรรมชาติหนึ่งเป็นธรรมชาติตรงกันข้ามคือภาคพระภาคพระนี่ท่านก็รู้พระจะมีต่อคำว่าพระสมณนะหรือพระเฉยเฉยพระเฉยเฉยแปลว่าผู้ประเสรเิฐ ประเสริฐกว่าบุคคลทั่วไปเราอาจจะเคยได้ยินบุคคลทั่วไปเขาจะเรียกกันว่าคนนี้เป็นแม่พระคนนี้เป็นพ่อพระคือเป็นผู้ที่ประเสริฐกว่าผู้อื่นในตระกูลของตนหรือในสังคมโดยส่วนรวมทีนี้นั่นเป็นพระด้วยใจด้วยความประพฤติปฏิบัติ ทีนี้ยังมีอีกพระที่อุปสมบทตามพระธรรมและพระวินัยอุปสมบทตามพระวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบัญญัติไว้เรียกว่าพระวินัยพุทธบัญญัติและก็ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้ารักษาพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำพระสัตย ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาเผยแพร่สั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายที่สอนได้เรียกว่าเวนยสัพพสัต ท, ทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติรักษาพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าไวน้นี้เรากล่าวหมายถึงพระสงฆ์ซึ่งมีตั้งแต่พระสมมุติสงฆ์ คือพระสงฆ์ผู้มีศีลแต่มีธรรมแต่ยังไม่ถึงขั้นโลกุตตธรรมไปจนถึงพระอริยสงฆ์ซึ่งได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยะบุคคลแล้วนี่ความเป็นพระก็สูงขึ้นไปตามลำดับอย่างนี้มีตั้งแต่จิตใจของท่านทัานหลายเรียกว่าแม่พระบ้างพ่อพระบ้างต่อไปเธออาจจะมีะเพื่อนพระก็ได้ อย่างนั้นทีนี้ภาคพระหรือภาคผู้ประเสริฐนี่แหละเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมขาวธรรมะฝ่ายขาวหรือฝ่ายพระภาษาบาลียังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากุศลาธรรมะหรือธรรมชาติฝ่ายกุศล ส่วนฝ่ายทำดําภาคมารเรียกอกุศลาธรรมมาทำฝ่ายบาปอคุณชนี่สองฝ่ายนี้เป็นธรรมชาติที่มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตรงกันข้ามกันทั้งหมดและยังมีธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าธรรมกลางกลางหรืออัพยากตาธรรมมา สำหรับธรรมชาตินี้เมื่อเข้าใจแล้วก็คงไม่ต้องพูดกันในรายละเอียดคือไม่ดีไม่ชั่วเธอสังเกตเห็นว่าความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่ชั่วคืออะไรดูง่ายๆตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวก็ไปทำ การไปทำธุรกิจส่วนตัวอย่างนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่ไม่ดีไม่ชัว่วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเข้าใจแล้วต่อแต่นี้ไปอาตมาจะกล่าวเน้นแต่เฉพาะทำสองฝ่ายทำดำภาคมารหรืออักุตสลาธรรมมาเป็นธรรมที่พึงละเว้นงดเว้นเพราะบุคคลที่เข้าไปประพฤติปฏิบัติแล้ว ย่อมมีผลให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนต่อไปในการข้างหน้าแต่ส่วนทำภาคพระหรือทำฝ่ายบุญกุศลที่เรียกว่าทำขาวหรือกุศลาธรรมาเป็นธรรมที่พึงเจริญพึงเสพคือพึงปฏิบัติทั้งทางกายทางวาจาและใจให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปละเอียดยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไป ซึ่งจะให้ผลเป็นความสุขความเจริญร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่ระดับชาวโลกสูงขึ้นไปจนถึงพ้นโลกคือพ้นจากความปรุงแต่งด้วยผลบุญทั้งหลายเพราะบุญบารมีนั้นเต็มส่วนให้ผลตลอดการอยู่แล้วและ ไม่ต้องตกอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกถ้าใครเข้าไปยึดยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยและเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของใครนะนี่คุณความดีอย่างชาวโลกโลกมีสภาวะ ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เช่นลาบยศส ก, การะสันเสริญความสุขอย่างชาวโลกเป็นไปด้วยอำนาจของความปรุงแต่งของบุญบุญเข้ามาปรุงแต่งแต่เนื่องด้วยสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมีทั้งบุญและบาปปรุงแต่งสะสมคละคล้าวนกันอยู่ในตัวบุคคลหรือสัตว์แต่ละตัวตนนั่นเอง เมื่อยามที่บุญส่งผลก็ได้รับความดีความสุขความเจริญแต่ถ้าหมดบุญและบาปให้ผลก็ได้รับผลจากบาปอาคุณสนเป็นความทุกข์เดือดร้อนเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุปัจจัยนี้แหละที่เรียกว่าอนิจจ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหา และทิฏฐิคือความหลงผิดแล้วเป็นทุกข์เช่นมีแฟนสวยรวยทรัพย์หรือจะต่อด้วยนักวิชาเดวยวกันเธอลองเธอลองมีของดอีแฟนสวยรวยทรัพย์นักวิชาดีแน่แต่ว่าเมื่อมีแฟนแล้วนี่เป็นอ น, นิจจงนะ บางทีก็รักใคร่กลมเกลียวกันดีบางทีก็แตกแยกทะเลาะเบาแวงเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือบางทีต้องพลัดพรากจากกันไปโดยเหตุใดๆแม้ความตายนี่อันนี้จังทุกขังเข้าไปยึดด้วยตัณหาความทยานอยากทิฏฐิความหลงผิดวันนี้ของเราของเราของฉันของฉัน เขาจะไปพูดไปเกาะไปเกี่ยวกับใครบ้างก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนยึดมากทุกมากว่างั้นเถอะรักมากก็ทุกมากพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกมีใครมาเฉียวหน่อยหนึ่งก็กลัวเขาจะเฉียวเอาไปซะทุกคิดว่าดวิมานไปสารพัดสารเพเลยเพราะฉะนั้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อย ไม่ยึดเลยไม่ทุกเลยอันนี้เป็นคาของพระอาหารหันต์ไม่ยึดเลยมีสักแต่มีเป็นสักแต่เป็นนี่แล้วลงท้ายเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ตัวตนยึดถือไม่ได้ลงท้ายตายจากกันเป็นขี้เท่าไปหมดด้วยกันทั้งสิ้นหรือแม้ว่าไม่ถึงเป็นขี้เท่ารักกันอยู่ดีดเดี๋ยวพลัดรากจากกันไปทะเลาะเบาแวงกันไปต่างคนต่างไปมีใหม่ เป็นคนละคนไปแล้วดังนี้เป็นต้นนี่ธรรมะฝ่ายขาวแต่อยู่ระดับโลกี้ยะยังต้องตกอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าสามัญลักษณะหรือพระไตรลักษณ์ก็เรียกคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ก็เป็นคุณความดีที่พวกเราชาวโลกโลกแสวงหาและต้องการกันนัก ก็ยังดีที่ได้แต่ยังมีความดีหรือความเป็นพระที่เหนือย enfin ิ่งไปกว่านั้นอีกเมื่อท่านเข้าถึงท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นธรรมกายซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเป็นธาตุล้วนรำล้วน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 สาธุชนกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นก็เป็นคติธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมังคโลโในธรรมะบรรยายเรื่องหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนตอนที่หนึ่งสำหรับธรรมะบรรยายเรื่องนี้ยังมีอีกสองตอนสําหรับท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังอยู่ก็ขอได้โปรดติดตามรับฟังได้ในครั้งต่อไปซึ่งหลวงพ่อจะได้นํา หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนั้นมาแสดงแก่ท่านผู้ฟังรายการเพื่อที่จะตอกย้ำให้ตระหนักให้สาธุชนผู้ฟังได้ตระหนักถึงหน้าที่ของการสืบทอดพระพุทธศาสนาร่วมกันของญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นธรรมบรรยายเป็นคติธรรมจากรายการธรรมสุสันติที่นำมาฝากท่านสาธุชนสำหรับวันนี้ อตาตมภาพขอส่งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนัตถิสันติปรังสุขขังแปลความว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีรายการธรรมะสุสันติวันนี้ขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิน จเจริญพร